บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งกรรมสองกรรมส2องหรือกรรมสี่สามหมวดตามที่ท่านแสดงไว้ในอัธกถาและดีกาทั้งหลายมีหัวข้อและความหมายโดยย่อ ด, ดังนี้หมวดที่หนึ่งว่าโดยปากการ คือจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 1. ทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันคือพบนี้ได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่กระทำในขณะแห่งชาวนาจิต ด, ดวงแรกในบรรดาชาวนาจิตทั้งเจ็แห่งชาวนาวิธีหนึ่งหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชาวนาเจตนาที่หนึ่ง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 ได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่กระทําในขณะแห่งชวนาจิตดวงสุดท้ายในบรรดาชาวนาจิตทั้งเจ็ดแห่งชวนาวิธีหนึ่งหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะเจตนาที่เจ็ดกรรมนี้ให้ผลเฉพาะในชาติถัดจากนี้ไปเท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้าก็กลายเป็นอโหสิกรรมที่เป็นเช่นนี้ เพราะเป็นเจตนาท้ายสุดของชาวนาวิถีเป็นตัวให้สำเร็จความประสงค์และได้ความเสพคุ้นจากชาวนาเจตนาก่อนๆมาแล้วแต่ในเวลาเดียวกันก็มีกำลังจำกัดเพราะเป็นขณะจิตที่กำลังสิ้นสุดชาวนาวิถี 3. อปอราปริยกเวทนิยกรรม กรรมให้ผลในพบต่อๆไปได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ทำในขณะแห่งชวนะทั้งห้าในระหว่างคือในชวนะจิตที่สองถึง6แห่งชวนะวิถีหนึ่งหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะเจตนาที่สองถึงที่หกกรรมนี้ให้ผลได้เรื่อยไปในอนาคตเมื่อเลยจากพบหน้าไปแล้ว คือได้โอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นไม่เป็นอโหสิกรรมตราบเท่าที่ยังอยู่ในสังสารวัฏท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อตามทันเมื่อใดก็กัดเมื่อนั้นสีอ่อโหสิกรรมกรรมเลิกให้ผลได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามซึ่งไม่ได้โอกาส ที่จะให้ผลภายในเวลาที่จะออกผลได้เมื่อผ่านล่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไม่ให้ผลอีกต่อไปอโหสิกรรมนี้ความจริงเป็นคำสามัญแปลว่ากรรมได้มีแล้วแต่ท่านนำมาใช้เป็นคำศัพ์เฉพาะในความหมายว่ามีแต่กรรมเท่านั้นวิบากไม่มีมิใช่แปลว่าเลิกให้ผลหรือให้ผลเสร็จแล้ว อย่างที่แปลแบบให้เข้าใจกันง่ายตามสำนวนที่เคยชินหมวดที่สองว่าโดยกิจคือจำแนกการให้ผลตามหน้าที่ซึ่งเป็นข้อที่หในกรรมส2องชนะา ก, า ก, กรรมหรือชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิด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 การพวกเดียวกับชนกกรรมซึ่งไม่สามารถให้เกิดวิบากเองแต่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรมทำให้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันซึ่งเป็นวิบากนั้นเป็นไปนานข้อที่7อุปีละกะกรรมหรืออุปีโลกกรรมกรรมบีคัน ได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมซึ่งให้ผลบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปธรรมภกกรรมทำให้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในคันซึ่งเป็นวิบากนั้นไม่เป็นไปนานข้อที่8อุปคาตกกรรมกรรมตัดรอนได้แก่ กำฝ่ายตรงข้ามที่มีกําลังแรงเข้าตัดรอนความสามารถของกรรมอื่นที่มีกําลังน้อยกว่าเสียห้ามวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียวแล้วเปิดช่องแก่วิบากของตนเช่นปิดุค่าตรรมของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ตัดรอนกุศ ล, ลกรรมของพระองค์เสียเป็นต้น หวดที่3ว่าโดยปากรฐานปาริยายคือจำแนกตามแง่ที่ยักเยืองกันคือลำดับความแรงในการให้ผลข้อที่ 9, เก้ารูปกรรมกรรมหนักได้แก่กรรมที่มีผลแรงมากในฝ่ายดีได้แก่สมบัติ8ในฝ่ายชั่วได้แก่อนันตริยกรรม มีมาตุคาดเป็นต้นย่อมให้ผลก่อนและครอบงกำกรรมอื่นๆเสียเปรียบเหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลบ่ามาท่วมทับน้ำน้อยไปข้อที่สพระหุลกรรมหรืออจินกรรมกรรมทํามากหรือกรรมชินได้แก่กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประพฤติมากหรือทำบ่อย สั่งสมเคยชินเป็นนิสัยเช่นเป็นคนมีศีลดีหรือเป็นคนทุศีลเป็นต้นกรรมไหนทำบ่อยทำมากเคยชินมีกำลังกว่าก็ให้ผลได้ก่อนเหมือนนักมวยปล้ำลงสู้กันคนไหนแข็งแรงเก่งกว่าก็ชนะไปพระหุรกรรมหรืออาจินกรรมนี้ต่อเมื่อไม่มีครุกรรมจึงจะให้ผล ข้อที่ส1อ็ดสัญญกกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตายได้แก่กรรมที่กระทาหรือระลึกขึ้นมาในเวลาใกล้าตายจับใจอยู่ใหม่ๆถ้าไม่มีกรรมสองข้อก่อนคือขรุ ก, กรรมและพะหุกลกรรมหรืออจินนกรรมก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆแต่คำภีอภิธรรมมหาวิภาวินีระบุว่า อาสัญกรรมให้ผลก่อนอาจินกรรมเปรียบเหมือนโคแอร์ อ, อยู่ในคอกพนายโคบานเปิดประตูออกโคใดอยู่ริมประตูคอกแม้เป็นโคแก่อ่อนแอก็ออกไปได้ก่อนข้อที่12กตัดตากรรมหรือกตัดตาวาปนกรรมกรรมศักวธรรม ได้แก่กรรมที่ทำด้วยเจตนาอันอ่อนหรือมิใช่เจตนาอย่างนั้นๆโดยตรงเป็นกรรมที่เบาเปรียบเหมือนลูกศรที่คนบ้ายิงไปต่อเมื่อไม่มีกรรมสามข้อก่อนคือคขรู้กรรมอาจินกรรมอาสันนกรรมกรรมนี้จึงจะให้ผล คำพีอภิธรรมมัตจสังหะแสดงกรรมสี่ไว้อีกหมวดหนึ่งรวมเป็นกรรมส6หคือหมวดที่สว่าโดยปากฐานจำแนกตามสถานที่หรือพบเป็นที่ให้ผลข้อที่13อากุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นอากุศลยกเวนอุทจักรหรือจำแนกโดยใยนัยยะหนึ่งได้แก่อากุศ ล, ลกรรมรบท10 ย่อมให้กำเนิดในอบายภูมิข้อที่14กามาวจรักุสลลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับกามาวจรเช่นที่จำแนกเป็นบุญกิริยาวยัตถุสิบยอมให้กาเนิดในกามสุขติภพเจ็ดคือมนุษย์และสวรรค์หก ข้อที่15รูปราวจรกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับรูปราวจรหรือรูปประชานสหรือหของผู้ยังไม่บรรลุอรหั ต, ตผลย่อมให้กำเนิดในรูปภพข้อที่16อรูปราวจรกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับอรูปราวจร คืออรูปปชาสีของผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมให้กำเนิดในอรูปภปพคำภีอภิธรรมทะทัศนคหานั้นเรียงลำดับหมวดกรรมต่างจากนี้คือ1เท่ากับหมวด2 2เท่ากับหมวด3 3เท่ากับหมวด1 4เท่ากับหมวด4ี่คำีวิสุทธิมรรค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 อโหสิกรรมเป็นเพียงอาการที่กรรมต่างๆไม่ให้ผลเป็นเพียงคําที่ใช้อธิบายกรรมอื่นๆแทรกอยู่ในที่ต่างๆจึงไม่นับเป็นกรรมอย่างหนึ่งต่างหากนอกจากนั้นท่านกล่าวว่ากรรมโดยอภิธรรมป ร, ริยายคือแบบอภิธรรมมีจำนวน16ได้แก่กรรมที่จำแนกด้วยสมบัติสีและ ว, วิบัติสี ที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องการให้ผลของกรรมนอกจากนี้ยังมีอัตถกาถาที่อธิบายกรรมชุดนี้ไว้ไม่ครบจำนวนอีก2ถึงสแห่งโดยเฉพาะคำภีปัญจสุทณีอธิบายเฉพาะหมวดที่หนึ่งและเฉพาะหมวดสองกรรมส2องนี้เรียกได้ว่าเป็นมติของพระอัตถกาถาจารย์โดยแท้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 คือทเทวะธรรมเมในปัจจุบันอุปเชวาในที่ที่เกิดอปเรวาปริยาเยหรือในลำดับต่อๆไปภิกษุทั้งหลายเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายมีสามประการดังนี้สามประการอะไรบ้างได้แก่โลภะโทสะโมหะ เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายกรรมที่กระทาด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทยัยกรรมที่กระทาด้วยโทสะละถึงกรรมที่ทาด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นสมุทยัยยอมให้ผลในที่ที่อัตภาพของเขาบังเกิด กรรมนั้นให้ผลณที่ใดเขาย่อมสวยวิบากรรมนั้นณที่นั้นที่เทวธรรมเเมในปัจจุบันอุปเชวาหรือณที่ที่เกิดอัปเรวาปริยาเยหรือในลำดับต่อๆไปอัธกถาซึ่งอธิบายบาลีแห่งนี้ละ่ะคือแหล่งที่อธิบายเรื่องกรรมสบสองอย่างพิสดารกว่าที่ใดอื่น ดังที่เคยอ้างถึงแล้วข้างตน้นในมหากรรมวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าทรงจำแนกบุคคลเป็นสี่ประเภทด้วยสัมพันธ์กับการให้ผลของกรรมจับความได้ดังนี้บุคคลที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบอากุศ ล, ลกรรมบทสิบเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตเนรก ทั้งนี้เพราะเขาได้กระทํากรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเป็นทุกไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือมิชาทิฏฐิเข้าไว้เต็มที่การที่เขาประกอบอากุศลกรรมบทชสิบนั้นเขายอมได้เสวยผลของมันในปัจจุบันคือทิเทวะธรรมเมหรือในที่ที่เกิดอุ ป, ปเชหรือในลาดับต่อๆไป อปเรวาปาริยาเยบุคคลที่สองเป็นผู้ประกอบอากุศลกรรมบทสิบเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมดีอันจะพึงสวยผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็เวลาจะตาย เขายึดถือสัมมาทิฏฐิเขาไว้เต็มที่ส่วนการที่เขาประกอบอากุศลกรรมบทสิบไว้นั้นเขาก็ย่อมจะได้สวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อๆไปบุคคลที่สเป็นผู้ประกอบกุศลกรรมบทสิบเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์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 บุคคลที่สีเป็นผู้ประกอบกุศลกรรมมบท1ิบเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมชั่วอันจะพึงสวยผลเป็นทุกไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือมิจฉาทิฐิเขไว้เต็มที่ส่วนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบทสิบไว้นั้น เขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อๆไปอธิกราที่อธิบายบาลีแห่งนี้ไขความโดยใช้คำว่าทิฏฐธรรมเวทนิยะอุปัชเวทนิยะและอัปราปริยเวทนิยะอย่างชัดเจนนอกจากนั้น จะเห็นเขาของอสัญกรรมคือกรรมที่ทาหรือระลึกในเวลาใกล้ตาอีกด้วยคำภีอปทานซึ่งเล่าประวัติในอดีตของพระสาวกทั้งหลายได้กล่าวถึงอสัญกรรมประจาาอยู่หลายแห่งเช่นประวัติอดีตชาติของพระเทระท่านหนึ่งว่าเคยเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งเห็นพระติสสะพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใส ได้ถวายญาติกรรมหนึ่งเป็นที่รองนั่งและมีจิตใจผ่องใสรันออกจากที่นั้นไปไม่นานก็ถูกราชสีกัดตายเราะกรรมที่ทาไว้ใกล้ตายบาลีว่าอาสันเนเมกตังกัมมังเราะกรรมที่ทาไว้ใกล้ตายคือการที่ได้พบได้ถวายญาติและมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เกิดในสวรรค์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 สัมปราญเวทนียะซึ่งพึงสวยผลในเบื้องหน้าในชุดซึ่งมีสิบคำอีกแปดคำคือสุขเวทนียะซึ่งพึงสวยผลเป็นสุขหรือให้ผลเป็นสุขทุกขเวทนียะซึ่งพึงสวยผลเป็นทุกขปริปกาเวทนียะซึ่งพึงสวยผลในอัตภาพที่พร้อมอยู่หรือถึงคราวแล้ว อปริปากาเวทนิยะซึ่งพึงสวยผลในอัตภาพที่ยังไม่ถึงคราวพาหุเวทนิยะซึ่งพึงสวยผลมากอัปเวทนิยะซึ่งพึงสวยผลน้อยเวทนิยะซึ่งจะต้องสวยผลอเวทนิยะซึ่งจะไม่ต้องสวยผล คำว่าทิฏธธรรมเวทนิยกรรมอุปชาเวทนิยกรรมและอัปาราปริยะเวทนิยกรรมมีกล่าวเวชชัดเจนคือเป็นรูปร่างบริบูรณ์ในคำพีกถาวัตถุที่พระโมคคิลีบุตรติสาเทระรจนาขึ้นในสมัยสังคยนาครั้งที่สราวพุทธศักราชสองส่วนอโหสิกรรมมีอยู่ชัดเจนก่อนแล้วในคมภีปฏิสัมพิธามรร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 วิบากไม่มีอยู่หกรรมได้มีแล้ววิบากจะกมี6กรรมได้มีแล้ววิบากจากไม่มี7กรรมมีอยู่วิบากมีอยู่8กรรมมีอยู่วิบากไม่มี9กรรมมีอยู่วิบากจะกมีส0กรรมมีอยู่วิบากจากไม่มี 1. อกรรมก็จักมีวิบากก็จักมี 12. กรรมจักมีวิบากจักมีอติกถาอธิบายกรรม12ชุดนี้ตามแนวกรรม12บสองชุดก่อนนั่นเองสาระสำคัญของกรรมชุดนี้คือแสดงกรรมที่มีผลและกรรมที่ไม่มีผลซึ่งมีฝ่ายละหกเท่ากันพึงสังเกตว่า อโหสิกรรมก็คือคำแปลท่อนแรกในหลายข้อว่ากรรมได้มีแล้วส่วนกรรมอื่นนอกจากนี้เจนครุกะและอาจินนะเป็นต้นเดิมเป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้ในความหมายสามัญยังไม่มีชื่อเรียกเป็นกรรมและยังไม่จัดเป็นประเภทมาปรากฏในสมัยอัตถกาถาดังกล่าวแล้วข้างต้น